5. มโหสถชาดกว่าด้วยพระมะโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีพระเจ้าวิเทหราชทรงกลัวแต่มรณะภัยได้ตรักกะะสกับมโหสถบัณฑิตว่าแน่พ่อมโหสถพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเจ้ากรุงปัญจาล ะ, สะเสด็จญาตราทับมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า กองทัพของพระเจ้ากรุงปัญจาละนี้นั้นพึงประมาณไม่ได้มีกองช่างโยธากองราบล้วนแต่ฉลาดในสงครามทั้งปวงสามารถจะปราบฆ่าศึกลงได้มีเสียงอื้ออึงยังกันและกันให้รู้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังมีวิทยาทางโลหะาธาตุมีเครื่องประดับมีธงเกลื่อนกล่นด้วยช้างมา้าสมบูรณ์ด้วยเหล่าคนมีศิล ตั้งมั่นด้วยดีด้วยเหล่าทหารผู้กแลกล้ากล้ากล่าวกันว่าในกองทัพนี้มีบัณฑิตสิบคนมีปัญญาดังแผ่นดินประชุมปรึกษากันในที่ลับพระชนนีของพระเจ้าจุลนีพรมทั์เป็นที่11อย่อมทรงสั่งสอนชาวปัญจาละนครอันหนึ่งบรรดาชนเหล่านี้กษัตริย์101รหนึ่งพระนครผู้เรืองยศ ตามสเสด็จพระเจ้าปัญจาราชถูกพระเจ้าปัญจาราชชิงแว่นแคว้นกลัวมรณะภัยตกอยู่ในอำนาจของชาวปัญจาละกษัตริย์เหล่านั้นเป็นผู้ทำตามพระราชดำรัสที่พระเจ้าปัญจาราชรับสั่งไม่มีความปรารถนาก็จำต้องเจรจาอ่อนหวานตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าปัญจาราชผู้มีอำนาจ ไม่ปรารถนาก็ต้องตามเสด็จกรุงมิถิลาถูกกองทัพนั้นแวดล้อมเป็นสามชั้นราชธานีของชาววิเทหรัชถูกขุดเป็นคูโดยรอบกองทัพที่แวดล้อมกรุงมิถิลาโดยรอบนั้นปรากฏเหมือนดาวบนท้องฟ้าแน่พ่อมโหสถพ่อจงรู้ว่าพวกเราจะ้นทุกข์ได้อย่างไรพระมหาสัต์ กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพขอพระองค์ทรงเยียดพระยุคลบาทให้ผาสุขเชิญเสวยและรื่นรมในกามสมบัติเกิดพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจละกองทัพชาวปัญจาละหนีไปพราหมเกวัตตะกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระราชามีพระราชาประสงค์จะทรงทำสันธวไมตรี จะประธานรัตนะทั้งหลายแด่พระองค์แต่นี้ไปทูตทั้งหลายผู้มีวาจาไพเราะกล่าวคําที่น่ารักจงมาจงกล่าววาจาอันอ่อนหวานเป็นวาจาที่น่ายินดีปัญจา ร, รัตและวิเทหรัตทั้งสองนั้นจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าท่านอาจารย์เกวัตตท่านได้พบกับมโหสถเป็นอย่างไรเนาะ เดินกล่าวข้อความนั้นเถิดมโหสถกับท่านต่างงดโทษกันแล้วกระมังมโหสถยินดีแล้วกระมังพราหมณ์เกวตะกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมประชากรผูรุษที่ชื่อมโหสถเป็นคนเลวไม่น่าชื่นชมกระด้างมิใช่สัตบุรุษไม่พูดข้อความอะไรสักคำเหมือนคนใบ้คล้ายคนหนวก พระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าแผนการนี้เห็นได้แสนยากโดยแท้ความมุ่งหมายที่แท้จริงอนนระผู้มีความเพียรเห็นแล้วความจริงกายของเราก็หวั่นไหวใครจักละแว้นของตนไปสู่เงื้อมือของคนอื่นเล่าพวกเราทั้งหกคนเป็นบัณฑิตมีปัญญาสูงสุดดุดแผ่นดินมีมติเสมอกันเป็นเอกฉันทีเดียวพ่อมโหสถ แม้เจ้าก็จงลงมติว่าไปไม่ไปหรือว่าอยู่พระมหาสัตว์กราทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทรงทราบ พ, พระเจ้าจุลนีพรหมทัตรทรงมีอนุภาพมากมีผลมากก็พระราชานั้นปราถนาเพื่อปรองพระชนม์ชีพของพระองค์ดุดนายพรานข่ามาลึกด้วยมฤคีตัวล่อเหยื่อฉนั้น ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อย่อมกลืนเบ็ดที่คดซึ่งปกปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้จักความตายของมันชั้นใดข้าแต่พระราชาพระองค์ทรงประทนาการมย่อมไม่ทรงทราบ พ, พระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีเหมือนปลาไม่รู้จักความตายของตนฉะนั้นถ้าพระองค์เสด็จไปยังปัญจาละนะคร จักต้องสละพระองค์ทันทีภัยใหญ่จักถึงพระองค์ดุดภัยมาถึงมรุษตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉะนั้นพระราชาทรงกริ้วตรัสว่าพวกเรานี่แหละเป็นคนเขาบ้านน้ำลายที่กล่าวถึงเหตุแห่งการได้รัตนสูงสุดในสำนักเจ้าเจ้าเจริญเติบโตมาด้วยหางไถจักรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไร ท่านทั้งหลายจงสคอมโหสถนี้ออกไปเสียจากเว้นแคว้นของเราเพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะของเรา